หกโอปมามัสังสันธนะวา่ารยการเทียบเคียงโดยข้ออุ ป, ปมายี่สิกวาทีท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจยังรู้เวทนาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดังนั้นรูปกับเวทนาจึงเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรมัตทีใช่สกวาที ท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมาตุดุดยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมาตุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิกาดังต่อไปนี้ หากท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุตุ์ยังรู้เวทนาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุ์ดังนั้นรูปกับเวทนาจึงเป็นคนละอย่างกันท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมัติดุ์ยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมาตุ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดุดยังรู้เวทนาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดังนั้นรูปกับเวทนาเป็นคนละอย่างกันข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดุดยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิด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 ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้า er an? พเจ้ายอมรับว่ า, <after that. S 2> าข้าพเจ้ายังรู hmm. <Moon. S 1> ้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a ดุจยังรู้เวทนาได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a ดังนั้นรูปกับเวทนาเป็นคนและอย่างกันข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a ดุจยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m a แต่ไม่ยอมรับว่า รูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันคำนั้นของท่านผิด29ส่สกวาทีท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจย่างรู้สัญญาละดุจย่างรู้สังขารละสกวาทีท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจย่างรู้วิญญาได้โดยสัจจิกัตถปรมัต ดังนั้นรูปกับวิญญาณจึงเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกตธรรมะดุดยังรู้รูปได้โดยสัจจิกตธปรมัตะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีท่านจงรับนิหะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจยังรู้วิญญาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดังนั้นรูปกับวิญญาณจึงเป็นคนละอย่างกันท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า รูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุิ์ดุจยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุิ์ดังนั้นรูปกับวิญญาณจึงเป็นคนละอย่างกันข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุิ์ดุจยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุิ์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 จึงเป็นคนละอย่างกันข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุจยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุจยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดังนั้นรูปกับวิญญาณจึงเป็นคนละอย่างกัน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 ดุจยังรู้รูปโดยสัจจิกัตถปรมัตสามสิบเอ็ดสกวาทีท่านยังรู้สัญญาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจยังรู้สังขารดุจยังรู้วิญญาณดุจยังรู้รูปดุจยังรู้เวทนาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตสามสิบสองสกวาที ท่านยังรู้สังขารได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดุจยังรู้วิญญาณดุจยังรู้รูปดุจยังรู้เวทนาดุจยังรู้สัญญาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์สาสิสากวาทีท่านยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดุจยังรู้รูปดุจยังรู้เวทนาดุจยังรู้สัญญาสกวาที ท่านยังรู้วิญญาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุจยังรู้สังขารได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดังนั้นวิญญาณกับสังขารจึงเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุจยังรู้วิญญาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตใช่ไหมประวาที ใช่สกวาทีวิญญาณกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีท่านจงรับนิหะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจยังรู้สังขารได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดังนั้นวิญญาณกับสังขาร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 ข้พาพเจ้ายัางรู้วิญ ญ, ญ, ญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดุจยังรู้สังขารได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดังนั้นวิญ ญ, ญ, ญาณกับสังขารจึงเป็นคนละอย่างกันข้พาพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดุจยังรูว้รวิญ ญ, ญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์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 ท่านยังรู้จักขายัตนะได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุจยังรู้โสตายัตนะดุจยังรู้ธรรมายัตนะได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตท่านยังรู้โสตายัตนะยังรู้ธรรมายตนะได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุจยังรู้จักขายัตนะและดุจยังรู้มนายตนะได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต35ห สกวาทีท่านยังรู้จักขู่ธาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุจยังรู้โสตธาดุจยังรู้ธรรมธาต์ได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตท่านยังรู้โสตธายังรู้ธรรมธาต์ได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุจยังรู้จักขู่ธาดุจยังรู้มโนวิญญาณธาต์ได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์สิบห สกวาทีท่านยังรู says, a, ้จักขุนสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุจยังรู้โสตินสีดุจยังรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตท่านยังรู้โสตินสียังรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุจยังรู้จักขุนสีสกวาที ท่านยังรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุดยังรู้อัญญินรีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดังนั้นอัญญาตาวินสีกับอัญญินรีจึงเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต ดุดยังรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอัญญาตาวินสีกับบุคคลเป็นคนและอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิฆะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัต ดุดยังรู้อัญญินรีย่ได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดังนั้นอัญญาตาวินสี่กับอัญญินรี่จึงเป็นคนละอย่างกันท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดุดยังยรู้อัญญาตาวินสี่ได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอัญญาตาวินสี่กับบุคคลเป็นคนละอย่างกัน ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุสดุจยังรู้อันยินศีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุสดังนั้นอัญญาตาวินศีกับอันยินศีจึงเป็นคนละอย่างกันข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุสดุจยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุส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 วินซีกับอัญญินซีจึงเป็นคนละอย่างกันข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจยังรู้อัญญาตาวินซีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตท่านกล่าวคำขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่าข e e ้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้อัญญาตาวินซีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจยังรู้อัญญินซีได้โดยสัจจิกัตถปรมัต ดังนั้นอัญญาตาวินสีกับอัญญินรีจึงเป็นคนลอย่างกันข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์ดุดยังรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์แต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินสีกับบุคคลเป็นคนลอย่างกันคำนั้นของท่านผิด 37. ปรวาที ท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมาตุดย์ยังรู้เวทนาได้โดยสัจจิกัตถปรมาตุดังนั้นรูปกับเวทนาจึงเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมาตุใช่ไหม สกาวาทีใช่ปรวาทีรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสกาวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจยังรู้เอทนาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดังนั้น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 และข้าพเจ้ายัางรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุดยังรู้เวทนาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดังนั้นรูปกับเวทนาจึงเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ และข้าพเจ้ายัางรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัทิตย์แต่ไม่ยอมรับว่ารูปกับบุคคลเป็นคนลอย่างกันคำนั้นของท่านผิด 38. ปดปรวาทีท่านยังรู้รูปได้โดยสัจจิกัตถปรมัทิตย์ดุจยังรู้สัญญาดุจยังรู้สังขารดุจยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตย์สาิบเปรวาที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 4ีอปรวาทีท่านยังรู้สังขารได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุจยังรู้วิญญาณดุจยังรู้รูปดุจยังรู้เวทนาดุจยังรู้สัญญาได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต์สิบสปรวาทีท่านยังรู้วิญญาณได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุจยังรู้รูปดุจยังรู้เวทนาดุจยังรู้สัญญา ดุจย uh ah ังร an uh ah ู uh so ้ส uh ah ังขารได้โดยสัจจิกัตถปรมัต43ปราวาทีท่านยังรู้จักขายัตนะได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจย่างรู้โสตายตนะดุจยังรู้ธรรมายัตนะได้โดยสัจจิกัตถปรมัตท่านยังรู้โสตายัตนะยังรู้ธรรมายัตนะได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจย่างรู้จักขายัตนะ ดุจยังรู ala, tai, ้มานายตนะได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์44ประวาทีท่านยังรู้จักขุท่าได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ดุจยังรู้โสตท่าดุจยังรู้ธรรมท่าได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ท่านยังรู้โสตท่าได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ยังรู้ธรรมท่าได้โดยสัจจิกัตถะปรมัตถ์ดุจยังรู้จักขุท่า ดุจยังรู้มโนวิญญาณธาตุโดยสัจจิกัตถปรมัตสี่ิบหปรวาทีท่านยังรู้จักขุนสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจยังรู้โสตินสีดุจยังรู้อัญญาตาวินรีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตท่านยังรู้โสตินสีท่านยังรู้อัญญาตาวินรีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดุจอย่างรู้จักขุนสี สกวาทีท่านยังรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุตย์ยังรู้อันยินสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตุตยัญญาตาวินสีกับอันยินสีเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ และท่านยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาธีัญญาตาวินศีกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมสกวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาธีท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้ หากท่านยังรู้อัญญาตาวตานินศีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุดย่างรู้อัญญินศีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดังนั้นอัญญาตาวินศีกับอัญญินศีจึงเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และท่านยังรู้อัญญาตาวินศีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า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 ข้าพเจ้ายัางรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดุดยังรู้อัญญินสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตตดังนั้นอัญญาตาวินสีกับอัญญินสีจึงเป็นคนละอย่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่และข้าพเจ้ายัางรู้อัญญาตาวินสีได้โดยสัจจิกัตถปรมัตต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 ท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิขะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปเป็นบุคคล ท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m แต่ไม่ยอมรับว่ารูปเป็นบุคคลคํานั้นของท่านผิดอนหนึง่งหากท่านไม่ยอมรับว่ารูปเป็นบุคคลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัต m ท่านกล่าวคำขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตแต่ไม่ยอมรับว่ารูปเป็นบุคคลคำนั้นของท่านผิด47ส ก, กวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหมปรมัตทีใช่ส ก, กวาทีบุคคลอาศัยรูป บุคคลเป็นอื่นจากรูปรูปอายัยบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิก ะ, ะดังตอไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถะปรมาติดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่ารูปอายัยบุคคลท่านกล่าวคาขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตแต่ไม่ยอมรับว่ารูปอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิดอนหนึ่งหากท่านไม่ยอมรับว่ารูปอาศัยบุคคลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตท่านกล่าวคำขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัติแต่ไม่ยอมรับว่ารูปอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิด48สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัติใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีเวทนาเป็นบุคคลบุคคลอาศัยเวทนาบุคคลเป็นอื่นจากเวทนา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 ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับนิกะดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิญญาณอาศัยบุคคลท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตแต่ไม่ยอมรับว่า วิญญาณอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิดอันหนึง่งหากท่านไม่ยอมรับว่าวิญญาณอาศัยบุคคลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกะถปรมัตน์ท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกะถปรมัตน์แต่ไม่ยอมรับว่าวิญญาณอาศัยบุคคลคำนั้นของท่านผิด 49สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกตถปรมัตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีจักขายตนะเป็นบุคคลบุคคลอาศัยจักขายตนะบุคคลเป็นอื่นจากจักขายตนะจักขายตนะอาศัยบุคคลธรรมายตนะเป็นบุคคล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 ท่านจงรับนิกาดังต่อไปนี้หากท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอัญญาตาวินสีอาศัยบุคคลท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตแต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินสีอาศัยบุคคลคํานั้นของท่านผิดอหนอึน่ง หากท่านไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินเสียสายบุคคลท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมตัตท่านกล่าวคําขัดแยงด้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมตัตแต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินเสียสายบุคคลคำนั้นของท่านผิดห้ส <50. S 1> ปรวาที ท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสติกัถะประมาทิช่ไหมสกาวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีรูปเป็นบุคคลใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาที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 ห้อประวาทีท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถะปรมัติใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลอาศัยรูปบุคคลเป็นอื่นจากรูป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 สังขานาสัยบุคคลวิญญาณเป็นบุคคลบุคคลนาสยวิญญาณบุคคลเป็นอื่นจากวิญญาณวิญญาณนาสัยบุคคลใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีท่านจงรับปฏิกรรมดังต่อไปนี้หากพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ดังนั้น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 สกวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ใช่ไหมักวาทีใช่ปรวาทีจักขายัตนะเป็นบุคคลบุคคลอาศัยจักขายัตนะบุคคลเป็นอื่นจากจักขายัตนะจักขายัตนะอาศัยบุคคลธรรมายัตนะเป็นบุคคล บุคคลอาศัยธรรมายตนะบุคคลเป็นอื لي, ่นจากธรรมายตนะธรรมายตนะอาศัยบ uh ุคคลจากขุดธาต์เป็นบุคคลบุคคลอาศัยจากขุดธาต์บุคคลเป็นอื่นจากจากขุดธาต์จากขุดธาต์อาศัยบุคคลธรรมธาต์เป็นบุคคลบุคคลอาศัยธรรมธาต์บุคคลเป็นอื่นจากธรรมธาต์ธรรมธาต์อาศัยบุคคล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 บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่แต่ไม่ยอมรับว่าอัญญาตาวินเสียใสบุคคลคำนั้นของท่านผิดจะตุ ก, กะนยยสันทนะจบ 8. ลักษณะยุติว่าด้วยการซักถามถึงลักษณะ 53. สั ก, กวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตใช่ไหม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 ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าิบสปรวาทีท่านยังรู้บุคคลไม่ได้โดยสัจจิกัตถปรามาทิช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองมีอยู่ใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาที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 สภาวะที่ยังรู้ได้บางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกวาทีบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่ยังรู้ได้บางส่วนเป็นสภาวะที่ยังรู้ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น56าสกสกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่แท้จริงสภาวะที่แท้จริงเป็นบุคคลใช่ไหม ปราวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่แท้จริงสภาวะที่แท้จริงบางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกวาทีบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่แท้จริงบางส่วนไม่เป็นสภาวะที่แท้จริงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นห้าสิบเจสกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่คงอยู่ สภาวะที่คงอยู่เป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่คงอยู่สภาวะที่คงอยู่บางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกวาทีบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่คงอยู่บางส่วนเป็นสภาวะที่ไม่คงอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น5้าบแ ักวาธีบุคคลเป็นสภาวะที่ปรากฏสภาวะที่ปรากฏเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ปรากฏสภาวะที่ปรากฏบางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลักวาทีบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่ปรากฏบางส่วนเป็นสภาวะที่ไม่ปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ห้สิเก้กาวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่มีอยู่สภาวะที่มีอยู่เป็นบุคคลใช่ไหมประวาทีบุคคลเป็นสภาสวะที่มีอยู่สภาวะที่มีอยู่บางอย่างเป็นบุคคลบางอย่างไม่เป็นบุคคลสกาวาทีบุคคลบางส่วนเป็นสภาวะที่มีอยู่บางส่วนเป็นสภาวะที่ไม่มีอยู่ใช่ไหมประวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น60สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่มีอยู่สภาวะที่มีอยู่ไม่เป็นบุคคลทั้งหมดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ไม่มีอยู่สภาวะที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นบุคคลทั้งหมดใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น เป็นต้นและว จ, จะนะโสธนะจบสิบปัญญัตานุโยคะว่าโดยการสักถามถึงบัญญัติหกสิบเอ็ดสั ก, กวาทีผู้มีรูปในรูปประธาตเป็นบุคคลใช่ไหมประวาทีใช่สั ก, กวาที ผู้มีกามในกามาธาตุเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น62สิกวาทีผู้มีรูปในรูปประธาตุเป็นสัตว์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้มีกามในกามาธาตุเป็นสัตว์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น63สิสกวาที ผู a, no right. yes. okay. world, <alta>. ้ไม่มีรูปในอรูปปัททะเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้มีกามในกามาตาเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น64สิกวาทีผู้ไม่มีรูปในอรูปปัททะเป็นสัตว์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที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 สกวาทีบุคคลผู้มีรูปขาดศูนย์บุคคลผู้ไม่มีรูปเกิดได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น66สักวาทีผู้มีรูปในรูปธปาตุเป็นสัตว์ผู้ไม่มีรูปในอรูปธาตุเป็นสัตว์และบางคนจุติจากรูปธปาตุแล้วเข้าถึงอรูปธาตุมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกาวาทีสัตว์มีรูปขาดศูนย์สัตว์ไม่มีรูปเกิดได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 6.7 สิกาวาทีเมื่อบัญญัติว่ากายกับสรีระหรือบัญญัติว่าสรีระกับกายให้มีความหมายว่ากายโดยไม่แยก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 มีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกายกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีชีวากับสรีระเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 ปัญญาตานุโยคะจบ